ผู้ทั่วสวัสดีค่ะต้องฟังที่ครบคะรายการสันสนีสนทนานะคะในภาคของการติดตามการเดินทางไปสีสังเวชนียสถานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคณะวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็กลับกันมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาแต่ว่าเพื่อให้ผู้ที่ฟังรายการก็ได้มีส่วนร่วมเสมือนกับว่า เราเป็นคณะเดียวกันเพราะว่าก็มีความสัมพันธ์กันทางการฟังรายการวิทยุเป็นเวลาช้านานแล้วเนี่ยนะคะในสัปดาห์ที่แล้ว2วันเราก็ได้เดินทางจากเริ่มต้นที่สถานที่ตรัสรู้พุทธคยาข้ามไปยังสถานที่ปรินิพานกุศินาราโดยในระหว่างทางนั้นก็ได้มีโอกาสแวะเขาคิดชกูนะคะซึ่งเป็นกุติ ของพระพุทธเจ้าใช้ภาษาง่ายๆแบบนี้เพื่อไปนั่งปฏิบัติสมาธิเป็นการถวายเป็นการปฏิบัติบูชากันก็เหลือที่จะไปต่ออีกเรียกว่าค้อนการเดินทางล่ละนะคะจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เช่นเคยค่ะเราเริ่มต้นด้วยรูปแบบเดิมที่ไม่เหมือนใครคือให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้นา คณะร่วมไปกับหลวงพ่อดออรสอาดทิโตภาโศและจัดรายการอยู่กับเรานะคะก็คือพระมหาภัยบุ์อภิปุนโนกันก่อนค่ะกราบในมัดกการทัานค่ะเชิญปอนก่อนที่เราจะไปในการฟังธรรมก็มาปฏิบัติธรรมกันสักนิดหนึ่งก่อนโดยให้ท่านทั้งหลายตั้งสติขึ้นสตินั้นคือการระลึกได้พระบรุตรเจ้าให้ความหมายเอาไว้ว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจํำคาที่พูดแล้วแม้นานได้ แทนที่เราจะให้จิตของเราไปคิดนึกระลึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อง น, อน้นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเรื่องคนอื่นแต่ให้เรามาคิดนึกระลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นไปนในทางบุญเป็นไปนในทางกุศลเป็นในทางที่จะทำให้จิตใจของเราไปในเบื้องสูงเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถระลึกนึกถึงได้เรามาลองระลึกนึกถึงสัมมาสัมพุท ธ, ธากันดูก็เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธานุสติ พระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุท ธ, ธาของเรานั้นเป็นผู้ที่มีลักษณะพิเศษก็ว่ามีมหาบุรุษ32ประการพระองค์ได้เคยตรัสเกี่ยวกับลักษณะมหาบุุษของพระองค์เอาไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลผู้ที่ประกอบด้วยมหาปุริสัตลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่ คือถ้าเป็นคารวาตย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแควนจรดมหาสมุรทั้งสเป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ประการแก้วเจ็ประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือจากแก้วจางแก้วมาแก้วมณีแก้ว นางแก้วก็แ ร, ระบดีแก้วและพระรินายกแก้วเป็นที่เร็จมีบุตรผู้กล้าหารมีแววแห่งคนกล้าอันใครใครจะย่ำยีไม่ได้ตามเสด็จกว่าหนึ่งพันมหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักตอ่อ เสียนหนามเป็นผู้มั่งคั่งเบิกบานกเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอไม่ได้โดยใช้อาจยาหรือศาสตราแต่ถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิด มันเปิดแล้วในโลกมหาบุริษลักษณะ32ประการคือ 1. มหาบุรุษมีพื้นท้าสม่ำเสมอ 2. ที่ฝ่าเท้ามีจักรเกิดขึ้นแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุม 3. มีส้นเท้ายาว 4. มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาว 5. มหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน 6. มหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย 7. มหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูง 8. มหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย 9. มหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงและข้าวได้ด้วยมือทั้งสอง สิมหาบุรุษมีองค์ชาติตั้งอยู่ในฝัก11มหาบุรุษมีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดลองจับไม่ได้ 13. มหาบุรุษมีขนกลุ่มและเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งหนึ่งสิ 14. มหาบุรุษ มีปลายขนชอนขึ้นสีดุดดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาสิบห้ามหารุษมีกายตรงดุดกายพรมสิบมหาบุษมีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าและคอสิบ็ดมหาบุษมีกายข้างหน้าดุดราชสีสิบแปด มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง19มหาบุรุษมีส้นทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากันยีสิบมหาบุรุษมีขอกลมเกลี้ยงยีอมหาบุรุษมีประสาทรับรถหันเลิศ22มหาบุรุษมีคางดุจราชสียี่สสาม มหาบุรุษมีฟัน 44, บริบูรณ์24มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ 25. มหาบุรุษมีฟันสนิทชิดกัน 26. มหาบุรุษมีเขี้ยวขาวงาม 27. มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ 28. ่มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงบรมพูดเหมือนนกกระวิก 29. มหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิท 30. มหาบุรุษมีตาดุดตาบัว 31. มหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิ้วเขาอ่อนเหมือนสำลีและ32มหาบุรุษมีสีรษะรับกับกรอบหน้านีเป็นมหาบุริษัะลักษณะ32ิประการของมหาบุรุษ นี่คือลักษณะมหาบุรสามสิบสองประการนั่นที่ถ้าบอกว่าใกลได้เห็นได้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีการเห็นการได้ชมอันเลิศลเราพิจารณานึกถึงตรงนี้ชื่อว่าเราตั้งสติตั้งจิตไว้อยู่ในพุทธานุสตินั่นเองเจริญพรสาธุค่ะเราก็ฟังไปปฏิบัติไปแล้วก็ยังได้ทราบถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าของเรา ที่เดจจัตเล่าเอาไว้นะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าคิดตามไปนี่เป็นลักษณะพิเศษทั้งนั้นเลยนะคะใช่ดิฉันเชื่อว่านั่งฟังกันอยู่นี่เกือบทุกคนนี่ไม่น่าจะมีอวัยวะใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะพิเศษสุดนะคะอย่างเช่นแขนเนี้ยนะคะอืเลยเข้าไปอีกถ้าย่งตรงๆใช่ไหมคะใช่แล้วทะเนธอย่างเงี้ยเป็นสีเขียวอะค่ะอืมตาสีเขียวค่ะแล้วกัเนช้อนขึ้น ใช่ลักษณะพิเศษท ำ, ทำมาเมาอ่านเรื่องราวตรงนี้หลายๆรอบเนี่ยนะคุณโยมติวก็มีความคิดว่าเอ๊ะคือถ้าคนเห็นปราบเดียวเนี่ยจะรู้แล้วคนนี้คือพระพุทธเจ้าคือเข้าใจไหมเพราะว่าท่านมีลักษณะที่พิเศษไม่ไว่าจะเป็นพิเศษมากรูปร่างหน้าตาดูจากข้างหลังอะไรต่างก็น่าจะทราบอ่ะแต่ทําไมบางคนเนี่ยเขาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยนะ คือมาปุ๊บก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือพระพุทธเจ้าคือไม่รู้<ม>เออก็ไม่น่าจะเป็นอย่างคือคนนั้นอย่างไรก็ตามคนนั้นที่เขามาหาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้คนไหนคือพระพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านต้องบัญญัติ เ, เรื่องพระวินัยเช่นว่าจีบอลของพระสงฆ์นะห้ามทรผ้าที่มันเกินขนาดของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยตอนจนต้องบั ญ, ญญัติวินัยข้อต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ จะพูดยังพูดก็คือมึนๆซะหน่อยหนึ่งนะเช่น <Okay. S 1> พระเจ้าอาชาตศัตรูนี่ก็มึนๆซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าฆ่าพ่อแล้วนะด้วยความที่บางทีแบบ <Okay. S 1> ไม่ละเอียดรอบคอบในการเพ่งพิพจารณาดูหรือพรามคนที่เขามาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคนไหนคนไหนอย่างเงี้ยก็ okay. เลยคนได้อาจจะมึนๆซะหน่อยหนึ่งค่ะอแม่สาหรับพระพุทธองค์ในสถานการณ์นั้นถ้าเป็นผู้ที่เราเชื่อว่ามีบุญญาธิการเนี่ย ก็อาจจะไม่ต้องการให้เห็นพระองค์ง่ายๆอันนี้ดาเอานะคะแต่ไม่อยากปรุงแต่งต่อเอาเป็นว่าขอพาท่านทั้งหลายเดินทางกันต่อกันล้วกันค่ะเมื่อออกจากกุสินารานะคะพวกเราก็ไปถึงลายทางคือลุมพินีหลังจากใช้การเดินทางประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วลุมพินีอยู่ที่ประเทศเนปาลในตอนค่ำวันนั้นก็ถือว่าไม่ได้ดึกเกินไปนักนะคะอ่าขออนุญาตเล่าถึง บรรยากาศของการผ่านแานก็เหมือนกับเวลาที่เราไปชายแดนมาเลชายแดนแถวจะไปลาวอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้ดูแปลกแยกกันเป็นคนลโลกแต่เพียงแบ่งเขตประเทศกันแล้วพื้นแผ่นดินติดกันหน้าตาคนก็คลา้คลายกันเคลื่อนไหวไปมาการผ่านแานก็จะมีสํานักงานไม่ใหญ่นักนะคะที่จะคอยตรวจเอกสาร ของพวกเราแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าฝั่งของประเทศอินเดียจะดูคึกคักดูร่ํารวยกว่าฝั่งของเนปาลอยู่อย่างเห็นได้ชัด<ม>นะคะมีร้านรวงอะไรต่างมากกว่าอืใช่ค่ะสลงสารีนี่ตื่นตาตื่นใจของลูกทัวร์ของท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะหลายคนหมายมั่นปั้นมือว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสได้ซื้อสารีหรือไม่ อ, อตัวของลุมินเดหรือลุมพินีเนี่ย ไม่ได้ห่างจากชายแดนมากนักหรอกนะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วพวกเราก็ไปนอนโรงแรมกันก่อนมีความสุขมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็นอนที่วัดอ ม, มันก็ก็ดีนะคะจะว่าไปวัดป่าพุทธคยาที่ขยาเนแล้วก็พอมากุสินาราเราก็นอนโรงแรมแล้วใช่ไหมคะใช่ทัวของเราถ้ะอาจารย์จัดให้นอนก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมกันในวันรุ่งขึ้นสมมุติว่าตอนนี้รุ่งเช้าแล้วคะ่ะท่านคะถึง ลุมพินีละเลุมพินีนะค่ะลุมพินีเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระมารดาของพระพุทธเจ้าคือพระนางเสิี่ยมามายาอันนี้เป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติของอินเดียนในสมัยก่อนและซึ่งสมัยนี้บางคนก็ยังถือปฏิบัติอยู่นะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปคลอดที่บ้านเกิดของตัวเองเน่เพราะไม่ถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอแต่งงานไปแล้วว่าอยู่บ้านสามีใช่ไหม แต่แต่เวลาจะคลอดเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมอะไรของผู้หญิงที่เขาต้องทำกันดูแลกันเพราะนั้นแม่ของแม่ของผู้ที่จะคลอดเนี่ยก็จะต้องคอยช่วยดูแลตรงนี้ก็จึงเป็นประเพณนนีว่าเอางั้นฉันกลับไปคลอดที่บ้านแม่นะซึ่งตอนนั้นพระมารดาของเจ้าชายสินทัต ถ, ถเนี่ยมาจากเมืองที่ชื่อว่าเทวทหะเนี่ยซึ่งนะห่างออกไปเนะสักระยะหนึ่งแล้วลุมพินีเนี่ย ก็อยู่บริเวณระหว่างกรุงก บ, บิลพัทกับกรุงเทวะทหะค่ะในระหว่างกลางพอดีซึ่งการเดินทางกลับไปนั้นระหว่างกลางก็พักซะหน่อยหนึ่งระหว่างที่พักนั้นก็ปวดท้องจะคลอดซึ่งตรง น, นั้นก็คือคลอดที่ใต้ต้นสาร ะ, ะต้นสาระนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นรังก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันกับที่ท่านบริณิผ่านต้นที่ท่านประสูตรใต้ต้นที่ท่านประสูตรก็เป็นต้นเดียวกันกับ ที่ท่านบารนิผ่านครัอันนี้ก็เป็นความงดงามอย่างหนึง่งแล้วก็ลักษณะการประสูติของพระพุทธเจ้าก็มีความพิเศษนะ ว, ว่าตัวพระมารดาเองเนี่ยเวลาที่ตั้งครรันท่านก็จะสามารถที่จะมองเห็นตัวเจ้าชายสินธาร ท, ที่อยู่ในคันได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึง่งพระมารดาเนี่ยจะมองเห็นบุตรที่อยู่ในคันตลอด แล้วก็เวลาที่โพธิสัตว์อยู่ในคันแห่งมานดาเนี่ยมารดานี้จะมีผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีศีลอยู่เป็นปกติแล้วก็จะแบบให้ทานมีศีลคนอื่นจะไม่ได้คิดหรือมองมานดาของโพธิสัตว์ด้วยจิตอันกำหนัดได้เลยแม้แต่พระเจ้าสุโธธนาก็ตาม <c oughs> ก็จะมองด้วยความรักใคร่เอ็นดูจะไม่ได้มองด้วยจิตอันกำหนัดแล้วก็จะไม่มีาอาการแพ้ทองนะคุณโยมติว ค น, นคที่ตั้งครันโพธิสัตว์เนี่ยมารดาโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีอาการแพ้ท้องจะไม่เจ็บท้องจะไม่อยากอันนั้นอยากอันนี้คือสบายไปหมดนี่นี่ท่านจะเป็นอย่างนี้แล้วก็การตั้งครันนั้นก็สี่สิบเดือนขอไปสิบเดือนเต็มเดืนสิบเดือนสิบเดือนเนี่ยปกติผู้หญิงนี่เขาจะตั้งคันส <9. S 1> <40, 40 S 2> ี่สิบสี่สิบสัปดาหสี่สิบสัปดาถูกไหม สีสัปดาห์เนี่ยหาหนังมันก็จะก้าเดือนนิดนิดห น, นึ่งประมาณนี้แต่ของโพลิสัตย์เนี่ยคือ10เดือนเต็มแล้วจึงคลอดอการคลอดของโพลิสัตย์นี่ก็จะพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าตัวท่านออกมาจากคันเนี่ยจะไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยสิ่งของอันใดที่ไม่สะอาดจะบริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวแล้วก็หลังจากคลอดออกมาแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองนะในะพระสูตรที่ชื่อว่าอัจเชริยะธรรมภูตสูตรก็คือเป็นเรื่องที่พิเศษหรือเชื่อโอโหหน้าอัศาจรรย์สําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่า <Okay. S 1> พอคลอดออกมาแล้วนะ่ยพวกเทวดาก็จะเข้ารับก่อนนะี่ยพวกมนุษย์ก็จะเข้ารับต่อในภายหลังแตนะ่ตรง น, นี้ก็มีคําที่ท่านขยายความไว้โดยพิสดารว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาเขาแปลงกายมาเป็นพวกพนัก ง, งานทําคลอด แล้วก็มาช่วยทำคลอดอะไรต่างๆแล้วก็มี <S <S จะมีท่อน้ำสองท่อท่อน้ำเย็นท่อหนึ่งท่อน้ำร้อนท่อหนึ่ง อ, ออกมาเพื่อที่จะเป็นกิจอันเนื่องด้วยน้ำกับโพธิษัทว์และมารดาตัวนี้ก็มีคนที่เขายายความไปอีกว่าที่ลุมพินีตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นบ่อน้าบ่อนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสะโบกกรณีเนี่ยนะเป็นบึงใหญ่ๆเนี่ย เขาบอกข้างใต้น้ำเนี่ยจะมีตาน้ําอยู่สองตา<ม>เย็นตาหนึ่งร้อนตาหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเคลื่อนมาตรงนี้หรือไม่อย่างไรอันีเ้เขาเล่ากันมา อ, อทีนี้พอการการคลอดเพอโพธิสัตว์คลอดออกมาแล้วพวกเทวดาเนี่ยเขาก็จะอุ้มโพธิสัตว์เนี่ยมาวางไว้ตรงหน้ามารดาแล้วก็พอวางไว้หน้ามารดาแล้วบอกว่าอ่ะ จงพอใจเถิดปุตอันมีศักดดาใหญ่เกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็จะบริษัทเนี่ก็จะลงมาเดินดการลงมาเดินนี้ก็เดินไปขา้างหน้าเดเก้ามีชาดสีขาวกั้นอยู่เบื้องบนและก็กล่าวอาสพีวาจ า, าอาสพีวาจานี่ก็คือเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ที่มาเกิดไม่ได้มีแล้วก็มีการเป็นนินไหวเกิดขึ้น เป็นดินไหวนี่จะเกิดตั้งแต่ตอนที่โพธิสัตว์จุติลงมาในครันอย่างมารดาตั้งแต่ตอนที่โพธิสัตว์ก้าวออกจากครันแห่งมารดา่จะมีการเป็นดินไหวเกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นตำแหน่งของการประสูตรของพระพุทธองค์นั้นเล่ากันว่าในครั้งยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็มีข้าราชบริพารเนี่ยได้สร้างเป็นวิหารมายาเทวีครอบเอาไว้นะคะติดกันก็ มีสะโบกรณีถ้าดูในภาพก็จะเห็นโดยเฉพาะอย่างคนไทยเนี่ยจะเห็นบ่อยตอนที่คุณหญิงสุดรารัตน์เกียรติราพันธ์ได้เป็นสะพานบุญให้คนไทยไปบูรณะปฏิสังขรลุมพินีแล้วก็พระเจ้าโสก็สร้างเสาโสไปด้วยปักไว้ต้นหนึ่งเสาเสาต้นนั้นเนี่ยจริงๆที่บนหัวเสาจะเป็นรูปมา้าจะเป็นรูปมา้าจะไม่เหมือนที่ วัยสาลีจะเป็นรูปสิงโตใช่ไหม <คะ S 1> แล้วก็ที่เอลุมพินีเนี่ยจะเป็นรูปมา้าแต่ว่ามันมันหักลงไปแล้วแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าดั้งเดิมเดิมทีเป็นรูปมา้าซึ่งก็<อ>ก็หมายถึงพาณิชที่เดินทางออกจากมาบวชออกจากเป็นเจ้าชายมาบวชตรงนั้นม้ากันทักกะอะไรนะคะตัเกราะโดนท้องกันค่ะแล้วก็มีนายชนะ เป็นคนพามาอืมเป็นเพื่อนพามาคนก็จะไปกราบในวิหารคือตำแหน่งที่ประสูนนะคะแล้วก็ด้านนอกคือบริเวณเสาหินอโศกที่ท่านพปบูลน์กำลังพูดถึงอยู่นี่แหละดิฉันเองไปครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปในวิหารหรอกนะคะท่านคะ oh. เพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัด uh huh. แล้วก็มีคนมาที่นั่นมากต่อแถวกันยาวมากเลยะคะ่ะ uh huh. ก็เลยคิดว่าเราก็มาหลายครั้งแล้ว ให้โอกาสคนที่เคยไม่เคยมา <ừ> แล้วก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธิอยู่ด้านนอกก็ดีนะคะดีมากเลย<ด>ใช่ดีมาก<า>ใช่ค <ừ> ่ะเรื่องของลักษณะมหาปุริสาลักษณะสักนิดหนึ่งนะว่าเออบางจุดบางประเด็นอย่างเงี้ยเช่นว่าพุริษัทต์มีฟันสี่สิบี่บริบูรณ์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าตั้งแต่ท่ทานเกิดขึ้นมาเป็นทารกเนี่ยนะเป็นเด็กเนี่ย <ừ> อรมาก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมคนที่เขาเกิดในตำนานเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าพอผ่านไปได้7วันก็จะมีคนมาดูลักษณะใช่หมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอัญญาเป็นท่านโกนธัญยะเป็นพราหมณ์ที่จะมาทํานายลักษณะว่ากุมารองค์นี้เกิดขึ้นมาแล้วอ น, นาคตจะเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> เขาก็เห็นมหาปุริสานลักษณะ 3- ามประการซึ่งอย่างเรื่องฟันมี44บริบูรณ์อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าฟันขึ้นครบหรือเปล่ า, ห ร, ลาหรือ ย, ยังไง เนืด้วยความเป็นทาโรกตรงนั้นนะ่ะนะหรือว่าเขาดูกันยังไงามาก็ยังไม่แน่ใจในบางเรื่องบางประเด็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามโพนิสัตเนี่ยมีลักษณะมหาบุรุษ 3-2 ประการแน่หลังจากที่โตขึ้นมาแล้วในหลายหลา ย, หลายพระสูตรนี่คือเป็นพุทธพจน์ที่ท่านตรัสไว้เองนะแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่เขามาเห็นรูปร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกยังไม่ลงใจไม่เชื่อใจว่ามันจะมีได้ไงคนที่มีมหาบุริษานลักษณะ 3-2 ประการแบบนี้ ถ้ามีเนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเน่แต่ว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดินี้ต้องมีช้างแก้วม้าแก้วมีขลับบดีแก้วพวกแก้วเจ็อย่างเนี่ยต้องมีแต่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นเซลัพรามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอได้ยินคําว่าพุทธโธเนี่ยไม่เชื่อว่ามีจริงๆเพราะว่ า, าลักษณะมหาบุรุษ 3-2 ประการไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วตัวเองก็ไม่เคยเห็นถ้ามีเนี่ย <Okay. S 1> จะต้องเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหรือไม่ก็เป็นสัมมาสัมพุทธโธ พอได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยจึงไม่เชื่อเนี่ยก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะดูว่าจริงหรือจริงหรือลักษณะมหาบุรีสามิสองประการเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยนะก็ตรวจสอบดูค้อรบทั้งหมดอย่างเงี้ยไปต้นค่ะสำหรับดิฉันเนี่ยจะพูดในมุมที่ว่าโบราณสถานกันแล้วกันนะคะคือสําหรับคนทั้งโลกเนี่ยต้องถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญเพราะ เป็นโบราณสถานของมหาศาสดาของโลกกระองค์หนึ่งแล้วก็ที่ไปถึงแล้วจะทำให้เราเกิดความรู้สึกปีติตื่นตันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับโอ้ใช่แล้วจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าจากการค้นพบเนี่ยเขาก็จะเจอหลักฐานต่างๆนานาที่แสดงให้เห็นว่ามีการยืนยันโดยบุคคลสำคัญสำคัญของโลกเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งก็เป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายหลัง ปริญิาผ่านของพระพุทธเจ้าเพียงแค่สองร้อยปีประมาณนั้นนะคะใช่ใช่มาสองรปีแต่ฉันได้ยินว่าแล้วท่านก็สร้างเสาอาโศกเนี่ยก็มีการจารึก ข, ข้อความที่เขาพบไว้ว่าพระเจ้าอาโศกเสด็จมาประกอบพิธีบูชาที่นี่เพราะพระพุทธเจ้าประสูทธ์ที่นี่บอกว่าเป็นพุทธศตรวตรรษที่สามเองนะคะก็คือสามร้อยปีเป็นปีที่ยี่สิบแห่งราชการของพระองค์ และเช่นเดียวกันที่วิหารมายาเทวี น, น, นะคะก็มีการสร้างเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเหมือนศิลาที่เป็นลักษณะแกะสละักรอยพระบาทจำลองของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเอาไว้ด้วยก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราได้เห็นอ๋อเขามีการค้นพบจริงๆพระพุทธเจ้าประสูติที่นี่จริงๆก็ลงใจไปมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเป็นพระาศาสดา ที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแบบเรามาก่อนนี่แหละค่ะ <c oughs> แล้วเราก็นอกจากนี้นอกจากหลักฐานทางบริษัทตตามสิงคอปร์ช่างนี้ด้วยเนี่ยแล้วทางด้านภ <c oughs> ูมิสถาปัตภูมิประเทศเนี่ยตำแหน่งตรงนี้คือกลางพอดีระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัฒน์อยู่ตรงกลางพอดีตรงนี้นะ <c oughs> ที่กรุงกบิลพัฒน์โดยโดยทางก็เรียกว่าแลนด์สเคปเนี่ยมันมันตรงนกลางตรงนี้พอดีอื ะะจากลุมพินีเนี่ยเราได้นั่งสมาธิกันเต็มอิ่มแล้วได้เดินไปกราบนมัสการบริเวณที่เชื่อว่าพระนางสิริมหามายาทรงยืนประสูติพระพุทธองค์และมีรอยพระบาทพระพุทธองค์ซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยที่เจ็หลังจากที่ได้ก้าวออกหลังจากที่ได้คลอดอจากพระคันของพระมารดาก็เดินทางต่อกันค่ะต่อไป อย่างเมืองสําคัญคือสาวัตถีท่านคะสาวัตถีที่นี่ก็มีเรื่องราวที่สําคัญหลายอย่างเนื่องเพราะว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่จําพรรษานานที่สุดเลยจริงๆแล้วที่สาวัตถีเนี่ยมีวัดอยู่2แห่งสําคัญๆ ค, คือที่เชตวันนี้แห่งหนึ่งอยู่จําพรรษา19พรรษาแล้วก็ที่บุพารามนี่ก็อยู่หกพรรษานะรวมทั้งหมดอยู่ที่25ปีเนะี่ยสบกวกหกก็ยี่สิบห้านะ อยู่ที่นี่25ปีจำพรรษาที่นี่3เดือนต่อเนื่องกันออกพรรษาอาจจะไปไหนมาไหนแล้วก็กลับมาที่นี่บ้างอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ว่าจะจําพรรษาที่ไหนก็ตามสมมติวันที่จําพรรษาที่เชตาวันตอนกลางคืนนอนที่นี่ตอนเช้าออกมาปินบาบาเสร็จปุ๊บฉันในเมืองแล้วก็จะไปพักผ่อนกลางวันอยู่ที่บุพารามแต่ตอนเย็นเยนก็จะกลับออกมาที่เชตวันค่ะหรือถ้าจำพรรษาที่บุพาราม ตอ น, นคือ น, นอนที่แน่นตอนช้าไปบินาบาบเสร็จแล้วก็จะไปที่เชตวันเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็จะกลับมาจำวัดนอนอยู่ที่บุพารามอย่างงี้สลับกันไปสลับกันมาคือเรียกว่าทั้งเมืองที่มีร่องรอยของพระพุทธองค์นั้นเป็นสถานที่สําคัญทั้งนั้นเพราะว่าทรงอยู่ที่นี่ถึงย <25 S 2> ี่สิบห้าปีนะคะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยอยากจะจินตนาการให้กับท่านที่ไม่ได้ไปได้เห็นนะคะ ลงหลับตานึกถึงผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่เป็นวัดที่ใหญ่มากเลยนะคะท่านคะถ้าเทียบเป็นไร่ของประเทศไทยเนะี่ยใหญ่สักขนาดไหนคะสําหรับวัดเชตวันที่ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญที่อนาถบินทิกะเศรษฐีได้เท่าไหคือถ้าเอาเฉพาะที่ปัจจุบันนี่นะที่เขาสร้างเป็นโบราณสถานมีรั้วรอบขอบชิดเป็นหน่วยงานของโบราณคดีของทางอินเดียเนี่ยเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสี่สิบไร่ มัน4ี่สิไร่ที่เราเห็นๆเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดเต็งจริงๆวัดเนี่ยในสมัยบุรการใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามีพระมากกว่านั้นแล้วก็เอาแค่สถานที่สำคัญ ๆ, ๆเนี่ยเช่นกุฏิของพระพุทุชจ้าหรือว่าที่ธรรมสภาเราจะมีโลเคชั่นอยู่ เ, เห็นเห็นอยู่ที่เขาสร้างเป็นเอาซาบปราะคัะพังมาก่อเป็นรั้วรอบนิดนึงเนี่ยนะ ใ, ให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรอะไรเนี่ยแต่จริงๆส่วนของวัดเนี่ยมันจะใหญ่กว่า ที่เขาทําไว้ในปัจจุบันนี้นะค่ะแล้วดูเหมือนกับว่าจะมีการยกให้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านกุติของพระพุทธเจ้าที่เราจะเรียกกันว่าคันทักกุติเป็นกุติที่ใหญ่มากหรือยังไงครับเพราะที่ชันเห็นใช้คําว่ามหาคันทักกุติมหามูละคันทักุติค่อคําว่ากุติก่อนกุติหมายถึงที่พักนั่นเองค่ะคันทะก็คือกลิ่นหอมเนะี่ยทไมเขาถึงใช้คําว่าคันทักุติเพราะว่า ก็จะมีคนเอาของหอมมารวมมาไว้ให้มีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเขาจึงเรียกว่าขันทากุฎีทํำไมถึงเรียกมู ล, ลรักขันทากุฎีเพราะว่ามันมีแค่ฐานของมันไม่ได้มีทั้งกุฏิใช่ไหมเพราะว่าที่นักโบราณคดีเขาคนพบนี่เ ข, เขาค้นพบซากนะค้นพบซากเสร็จแล้วเขาค้นพบที่ซากเนี่ยเขาขุดลงไปเนี่ยเขาพบแนวของอิฐบ้างแนวของซ า, ากเปลืกหางพังที่มันจะอยู่เนี่ยจึงพอเป็นเขาโครงได้ว่าอ๋อตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างอยู่ ก็คุณหานหลักฐานกันไปว่าสิ่งเขาสร้างตรงนี้น่าจะเป็นอะไรหลักฐานที่มีอะไรต่างๆก็ทางโบราณคดีเขาก็คิดคนกนว่า อ, อ๋อตรงนี้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าตรงนี้น่าจะเป็นธรรมสภาตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิปัฏฐาชาว์าจากที่เขาขุดลงไปที่ฐานมานเนี่ยแล้วเขาก็เลยเอาซากประหาดพังเหล่านี้มาก่อมาปรับมาแต่งตามฐานเดิมให้มันเป็นฐานตกแต่งดูว่าตรงนี้คือเคยเป็นที่นี่มาก่อน ก็จะมีคนไปปิดทองเอาไว้เยอะเลยอะไรประมาณนี้แล้วบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังกุฏิก็ไม่ทราบนะคะจะมีลักษณะของอิฐเก่าๆที่เขาเก็บมาเนี่ยมามูนกันสูงขึ้นไปเป็นรูปส่งคล้ายๆเจดีย์ที่นี่ก็ทองอารามเลยค่ะจริงๆนะในตามกฎของ a n c h ิ e o l o g i s t ของอินเดียเนี่ยนะค่ะพวกอิฐต่างๆเก่าๆเหล่านี้เขาจะไม่ให้ปิดทองเลยนะเขาจะไม่ปิดไม่ให้ปิดทอง ทีนี้ว่าคนไทยเนี่ยชอบกันมากปิดทองไม่รู้ยังไงไปที่ไหนก็จะมีร่องรอยการปิดทองตามที่ต่างๆฝีมือคนไทยทั้งนั้นเหรอคะส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็จะมีป้ายเขียนไว้อยู่ชัดเจนะว่าห้ามปิดทองอย่างนี้เป็นต้นอ๋อหลักคดีฉันไม่เห็นคดีฉันก็ปิดเป็นเสนสามแผ่นเหมือนกันนะคะออทีนี้เขาก็เลยทําจุดนี้ขึ้นมาทําตรงนี้ขึ้นมาว่าอยากปิดกันนักใช่ไหมเอาทํามันซะเลยให้ปิดตรงนี้แล้วคุณอย่าไปปิดที่อื่นอย่างนี้นะก็เลยเหมือนกับเป็นตําแหน่งที่ว่า ให้คุณปิดทองตรงนี้จริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าตรงตรงแต่ไม่ที่จริงหรือเปล่าคะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่อยู่ที่เดียวกันเคยทราบว่านังสือที่ที่แจกเนี่ยนะคะก็มีบอกว่ามีระบุเอาไว้ตามพุทธประวัติว่าเป็นสถานที่ที่เท้าสักกะเนี่ยให้เทวดาองค์หนึ่งมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดมงคลทั้งหลายมาเป็นเวลาถึงสิบสองเนี่ ก, ก็ไม่ได้ขอพระพุธอง <c oughs> ตัดบอกมงคลอสูงสุดว่าคืออย่างไรเพื่อนําประโยชน์สุขมาให้โดยส่วนเดียวกับชาวโลกทั้งปวงถูกต้อง น, นี้คือเป็นที่ที่ตรัสพระสูตรสําคัญเช่นมงค ล, ลสูตรมงค ล, ลสูตรอันนี้สำคัญมงคณสามิบเนี่ยหรอคะใช่ใช่คือแทน <c oughs> ที่เราจ ะ, ะพิจารณาเห็นว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะเฮงไหมฉันจะดีไหมเช่นมีจิ้งจกทักไหมหรือได้กลิ่นหอมที่มันดีๆ หรือว่าเห็นเรื่องราวที่มันดีๆสดใสฉันก็จะโชคดีอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่ความเฮงความโชคดีความงามในชีวิตจะเกิดได้เพราะเห็นสิ่งต่างๆได้ยินสิ่งต่างๆหรือสิ่งได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแต่พระบรุทรเจ้าบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่มงคลแต่ความเป็นมงคลก็อย่างที่ว่ า, วาเช่นการครบเพื่อนดีการไม่คบคนชั่วการดูแลมารดาบิดาการการที่มีวาจาดีให้กันการธรรมะสารกชาการพูดคุยธรรมะกันนี้เป็นมงคล เ, เวลาที่พระสวดเป็นบาลีท่านพอจะยกสักประโยคได้ไหมคะที่มีคําว่ามงคลมงคลจะได้ให้พวกเราเดากันเวลาได้ยินเนี่ยมงคลลาสวดหละเริ่มเลยเวลาที่ฟังพระสวดเนี่ยท่านจะว่าอาเสวนาจะพาลานังบันติตานังจะเสวนาเนี่ยแล้วก็เอตัมมังคมามุตตัมมังนี่จะมีคํานี้อยู่ อ, อนะคะมีอเสวนาจะพาลานังอื ม, อมเอตัมมังคมามุตตัมมังตรงนี้คือคําว่ามงคลหรือไงคะช่วงสุดท้ายใช่ใช่นะคะทีนี้ ที่ฉันคิดว่าเราต้องจบที่สวัตถีวันนี้เพราะว่าเวลาใกล้หมดก่ะทัง้งค่ะนอกจากนี้ <c oughs> เรื่องที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นที่ท่านแสดงยะมะกาปาฏิหารเป็นความแบบอัศจรรย์ใจของพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหารที่นี่นี่ยที่วัดเชดวันนี้ยังมีเรื่องราวที่สําคัญสําคัญหลายอืยอย่างมากความดราม่าของเหล่าภิกษุนีบางรูปบางท่านเช่นสาวใจแตกสุดท้ายาบวชได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะ หรือว่าเรื่องราวของเศรษฐีขี้เหนียวนจนกระทั่งเอาขนมเบื้องมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่ถวายไม่หมดจนเอาไปทิ้งหน้าประตูเชดวันคุ้มตรงนั้นเขายังเรียกว่าเป็นคุ้มทิ้งขนมเบื้องอยู่อย่างนี้ไม่้นหรือว่าที่ที่มีธรณีสูบนางจินจมานวิกาแล้วก็พระเทพบัตถ์ก็ถูกสูบที่นีแ่แล้วองค์คุลิมานที่นี่ด้วยไหมคะองค์คุลิมานก็ที่นี่เหมือนกั น, นเป็นที่ที่พระเจาะเ้าปิเศนิโกสุนเสด็จมา แล้วก็ยกทัพเพื่อที่จะไปปราบองค์กุลิมานเนี่ยแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าที่นี่พระพุทธเจ้าก็ชีว้ว่านั่นองค์กุลิมานพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนี่โอ้ยตกใจมากเลยคนลูกสู้ก็พอรู้ว่าโอท่านไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็สบายใจนะแล้วก็ไปแล้วก็ที่นี่เหมือนกันที่เชตวันนะคะท่านคงเล่าได้แค่นี้แหะค่ะคิดว่าพวกนี้จะมาต่อเรื่องราวเช่นว่าการที่พระพุทธเจ้าก็อุปถาก พ, พระนะเป็นที่มาที่ว่าที่ท่านบอกว่า ให้แทนที่จะมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไปอุปถัมภ์พระป่วยแท น, น, นี่ก็มีรายละเอียดที่เรามาคุยกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะจะได้เป็นธรรมะที่ได้พร้อมๆ ก, กันกับการตามรอยการเดินทางไปเยี่ยสังเวชนียสถานกับพระมหาภัยวุลอภิปุโนนะคะกราบนพิธ ก, การกับท่านค่ะเจริญพรค่ะกะภายใต้การนำของท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนะคือหลวงพ่อดออรสะอาดทิตภาโส ค, ค่ะจริงๆแล้ว สำหรับตอนองค์คุลิมานเนี่ยดิฉันประทับใจนะคะที่ว่าท่านแสดงทำโปรดจนกระทั่งองค์ุลิมาที่ฆ่าคนจํานวนมากเอานิ้วร้อยเป็นพวงเนี่ยยอมบวชแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าผู้ใดที่เคยประมาทในตอนต้นภายหลังเขาไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทําให้โลกนี้สว่างสวัย <c oughs> ก็ถือว่าใครที่ยังคิดว่าตัวเองนคงจะหมดโอกาสอะไรแล้วถ้าเราคิดได้กลับ ตัวได้นะคะก็มีโอกาสพระพุทธองค์ทรงให้โอกาสเสมอวันนี้เราลารายการกไปถิงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันสนสนีนาพง์เชิญท่านมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธวัสวัสดีค่ะ